ขอคารวะพระคุณเจ้าพระเทเรนุเทระและฝาเจริญพรญาติโยมสาวนทุกท่านวันนี้ทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันมาเพื่อทากิจต่อโยมคุณพ่อสมหมายชายนครที่ได้ร่วงรับไปยมสมหมายก็เป็นที่รักของพวกเรา กล่าวคือเป็นดีดาเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นมิจาหายหรือว่าเป็นมิจฉาสิกนชนเมื่อผู้ที่เรารับนครรับจากไปหน้าที่ของผู้เทียงอยู่ก็คือร่วมการกรองสบท่านรวมทั้งบำเพ็ญกุศล ผู้ที่ได้กับท่านเพราะว่าผู้ที่ลงละไปนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยแม้แต่น้อยกระทั่งร่างกาย ก, ก็ต้องทิ้งไว้ให้คืนสู่ธรรมชาติมีสองสิ่งเช่านั้นที่จะตามติดไปก็คือบุญและบาปอันจะส่งผลไปถึงสุคติคือพบหน้า อย่างไรก็ตามผู้ที่ยังอยู่นะก็ยังสามารถทำสิ่งดีให้กับผู้ที่รับไปได้ด้วยการบำเพ็ญกุศลให้กับท่านเช่นการถวายสังฆทานการเลี้ยงพระหรือว่าการถวายข้าวมังสุดเป็นต้นอย่าง้รก็ตามเมื่อพวกเรามาที่นี่แล้วเนี่ย นอกจากการบางเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่วายชนแล้วจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าว่าเรามอเพ็นบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยการบางเพ็ญกุศลให้กับตัวเองนี่หมายเพราะว่าอย่างไรส่วนหนึ่งเราก็ได้บอเพ็ญกุศลจากการถวายทานเมื่อเราถวายทานเช่นสงางฆทานเป็นต้นเนี่ย ตัวผู้ถวายก็ได้บุญนอกเนือจากการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรและถ้าเราตั้งใจในการรักศีศีลที่เราสมท า, านก็จะช่วยรักษากายวาจาใจของเราให้เป็นปกติและปลอดจากเรื่องตื่นเน ร, ร้อนใจแต่ที่สำันก็แน่คือว่าเราได้มาเรียนรู้สัจธรรมของชีวิต สัจธรรมของชีวิตนั้นคืออะไรสัจธรรมของชีวิตประการหนึ่งก็คือความไม่เที่ยงของสังขานเมื่อเรามางานศพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเพื่อเกิดประโยชน์กับตนเองก็คือเราเลืกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับสบรรพสัตว์ซึ่งสักวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วย ยองสมหมายชนคร น, นั้นครั้งหนึ่งก็เคยมีชีวิตมีเลืองมีเนื้อเดินเถินได้เหมือนเราแต่บัด น, นี้ก็ได้ทอดร่างแน่นิ่งอยู่บนเมนพวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะต่างเพศต่างวัยต่างอาชีพแต่สุดท้าย จุดหมายปลายทางของเราก็คือที่เดียวกันก็คือเชิญตะกรอหรือว่าเมนนี่คือจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตไม่ว่าเราจะมีจุดหมายชีวิตสูงส่งอย่างไรจุดหมายของบางคนอยากจะเป็นนิศวกรอยากจะเป็นแพทย์อยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นทาหารอยากจะเป็นพลังกระทรวงอยากจะเป็น นายกเทสมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีหรือแม้จะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่จุดหมายชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแต่ในที่สุดปลายทางแล้วที่เดียวกันก็คือเชิญตะกองเมื่อเราลึกเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็หันมาทบทวนว่า ชีวิตของเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะพบกับวาระสุดท้ายของชีวิตคนเราก็นเนี่ยจะนึกแต่การมีชีวิตที่ดีอยู่ดีไม่เพียงพอเราต้องคิดเรื่องการตายดีด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยน้อยคนนะที่จะคิดเรื่องการตายดีที่ถึงเรื่องชีวิตดีอยู่ดีอย่างเดียว เช่นทั้งวันก็คิดแต่ว่าจะหาเงินหาทองจากไหนจะซื้อรถของบ้านอย่างไรหรือว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนจะมีชีวิตครอบครัวอย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของการอยู่ดีแต่ว่าเราคิดบ้างหรือเปล่าถึ็เรื่องการตายดีทำไมถึงต้องคิดกเพราะาเราทุกคนต้องตายเมื่อเราต้องตายแล้วเนี่ย นะคนฉลาดก็จะเตรียมพร้อมว่าเมื่อถึงวันที่ต้องตายก็จะขอตายดีตายดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหนึ่งตายอย่างสงบคือไม่ทุรนทุรายตายยังมีสติ ม, มีความสุกตัวประการที่สองก็คือไปดีไปดีคือไปสุกตินะ ไปสุกติก็คือไปพบภูมิที่ดีถ้าไม่เท่ากับที่เป็นอยู่ในพบนี้ก็ต้องดียิ่งกว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อคนเราต้องตายนะก็มีทางเลือกสองทางโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าไปสุกติหรือไปทุกติไปสุกติคือไปดี ไปทุกะทตะคือไปไม่ดีถามว่าจะไปดีได้อย่างไรก็ต้องทำความดีเมื่อเราทำความดีมานสร้างบุญสร้างบุญสมและที่สำคัญคือว่าไม่ทำชั่วหลายคนทำดีก็จริงสร้างบุญสร้างบุญสมก็จริงแต่ว่าความชั่วไม่เลิเว้นอันนี้ก็ยังไม่ใช่หลักประกันว่าจะไปดี จุดหมาอาจจะไปไม่ดีก็ได้และที่สําคัญพอกันก็คือว่าถ้าทําชั่วเสร็จแล้วเมื่อเวลาจะตายก็ตายไม่สงบตายด้วยความทุรนทุรายบางคนก่จะตายก็นึกเห็นหน้าของสัตว์ที่ตัวเเคยฆ่าอาจจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นวัวฆ่าอยู่เป็นอาจิน พอคิดแต่เรื่องการหาเงินหาทองแต่ไม่ได้นึกถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเมื่อจะตายจิตก็หัวระลึกถึงความชั่วที่ได้ทําก็เกิดจิตใจเศร้าหมองบางคนก็ร้องคร่ำครวญ น, นะบางคนก็กระสับกระส่ายสุดท้ายก็ตายไม่สงบ นอกจากตาไม่สงบแล้วก็ยังไปไม่ดีก็คือไปอับอายอ น, นี่คือความจริงที่คนเรามักจะมองข้ามเรามักคิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าหาเงินหาทองหรือว่าสนุกสนานเสร็จแล้วก็ลุ่มหลงในความสนุกสนานหรือไม่ก็มัวแต่ทํามาหากินคิดแต่เรื่องเงินทอง จะลืมสร้างบุญสร้างกุศลหรือบางทีก็ทำชั่วได้ซ้ำเพราะว่าจะได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเดี๋ยวนี้การที่คนเราจะเจริญในอาชีพการงานร่ำรวยหรือว่ามียศตำแหน่งสูงหลายคนก็ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องโดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร แต่คุณชื่อว่ากรรมแล้วเนี่ยไม่มีกรรมใดที่ไม่ส่งผลกรรมดีย่อมส่งผลในวันใดวันหนึ่งกรรมชั่วก็ย่อมส่งผลในวันใด ว, วันหนึ่งเช่นเดียวกันและบ่อยครั้งผล น, นั้นก็มาปรกากฏเอาตอนที่ใกล้ตายตอนที่ไม่มีความรู้สึกตัวแล้วอระสัระสายดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนขความตาย แต่คนเราถ้าหาว่าหมังนตั้งใจทำความดีและไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังได้พระพุทธองค์เมื่อครั้งหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธิสัตว์คือว่าผู้ที่จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อครั้งที่ทรงเสวยระชาติเป็นพระโุธิศัตว์ก็เคยกล่าวว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยอ่อมใม่กลัวภาระโลก พาเราโลกคือโลกหน้าพบหน้าเมื่อทำความดีแล้วก็ไม่กลัวว่าตายเราจะไปไหนเพราะมั่นใจว่าไปดีแน่อีกตอนนึงท่านกล่าวว่ากษพรเจ้าไม่มีความช่วยในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงคนทุกวันนี้เนี่ยกลัวความตายมากกลัวจนกระทั่งแม้จะพูดคำว่าความตายก็ไม่อยากฟัง เวลามีคนในบ้านพูดเรื่องความตายก็จะห้ามถือว่าเป็นอภิมงคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจะนวนมากและที่กลัวความตายก็เพราะว่าไม่ได้มั่นใจในความดีที่เตืองได้ทําอีกเหตุผลน่คือเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ดีว่า คนเราเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ย่อมสูญเสียพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยต้องพลาดจากไปทั้งหมดสิน้นแม้กระทั่งลมหายใจและก็ร่างกายนี้คนทุกวันนี้เนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนมีและเป็นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกเมียหัวคนรักหรือว่า สถานะตำแหน่งเมื่อยึดมั่นถึงมั่นอย่างนี้เนี่ยจึงกลัวความตายเพราะว่าจะต้องพับผ้าจากสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนี้เนี่ยลำพังการทำความดีไม่ทำชั่วยังไม่เพียงพอต้องฝึกจิตฝึกใจ ให้รู้จักปล่อยวางด้วยเพราะท้าไม่ปล่อยวางแล้วถึงเวลาจะตายก็อาจจะมีจิตที่เศร้าหมองบางคนตายแล้วเนี่ยตายยังเปิดเลยเพราะห่วงลูกบางคนตายแล้วตาเปิดไม่ยอมปิดเพราะห่วงภรรยาห่วงสามี อย่างมีคุณลุงคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งยากจนมากตอนจะตายก็เฝ้าบอกภรรยาว่าอย่าไปเป็นหนี้ถ้าไม่มีเงินทำศพไม่มีเงินซื้อโลงก็ยกศพนี้ให้เป็นของโบสถ์คริสต์ได้เลยและตอนจะตายก็เฝ้าแต่คิด ถึงเรื่องนี้กังชับภรรยาอยู่นั่นแหละพอตายแล้วตาก็ยังเปิดพยายามคนที่อยู่พยายามที่จะปิดเปลือกตาก็ไม่สําเร็จแต่โชอดีที่ช่วงที่คุณลุงนั้นยังไม่เสียชีวิตพยาบาลคนหนึ่งทราบถึงความห่วงใหญ่ความวิตกกังวลของคุณลุงก็พยายามวิ่งเต้น ไปหาเงินสวัสดิการได้เงินมาก้อนหนึ่งพอรู้ว่าคุณลุงนั้นตายตาไม่หลับก็บอกคุณป้าคุณเป็นภรรยาว่ารีบไปบอกลุงนะว่าตอนนี้มีเงินทำศพและมีเงินซื้อโลงแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นหนี้เป็นสินคุณป้าแกก็ไปนะแล้วก็ไปบอกไปพูด ก, กับศพพูดจบ ก็เอามือเนี่ยปิดเปลือกตาเพราะว่าหลับนะสมเนี่ยยอมหลับตาเหมือนกับว่าหมดห่วงแนละ้วบองคนห่วงลูกก่อนตายก็พูดถึงลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบเป็นลูกชายห่วงว่าจ ะ, จะเจริญรอยตามที่ชายสองคนซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุกก่อนตายก็พูดถึงแต่ ลูกคนนี้แหละตายแล้วตาก็เปิดไม่ยอมหลับวันรุ่งขึ้นญาติผู้ใหญ่ามารับศพเห็นตาเปิดก็เลยจุดธูบอกกับผู้ตายว่าลูกชายคนสุดท้องไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับไปดูแลเองพอพูดจบก็เอามือปิดเตือกตารากว่าปิดได้นะคราวนี้อันนี้ก็แสดงว่า คนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังมีความห่วงกังวลก็ยากที่จะตายสงบเราเรียกว่าตายตามไม่หลับแต่แม้ตายไปแล้วก็ยังไม่สายที่จะบอกปลดเพื้องความกังวลของผู้ตายนะอย่างสองกรณีนะั้นเป็นตัวอย่าง 2กรณีนีก็ถือว่ามีโชคเพราะว่ามีคนช่วยให้ตายสงบด้วยการพูดให้ปลดเปื้องความวิตกกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนอยู่ใกล้ที่จะคอยแนะนำให้เปิดเปื้องสิ่งข้างทาใจแล้วใครจะช่วยเราจะมีหมายความว่าจะต้องตายอย่างทุรนทุนรายตายไม่สงบหรือ เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรตายอายุเท่าใดตายที่ไหนอาจจะตายคนเดียวก็ได้อาจจะตายในห้องน้าถึงตอนนั้นถ้าเราไม่รู้จักปลายู้จักวางก็จะไปไม่สงกคือทุรงทุรายนอกจากไปไม่สงแล้วยังไปไม่ดีเพราะทางศาสนานนเราเชื่อว่า จิตสุดท้ายเป็นสิ่งสาคัญจะไปไหนดีหรือชั่วสุกติหรือทุกติขึ้นอยู่กับว่าจิตสุดท้ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปอบายถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีอันนี้ถ้าคนมีความห่วงกังวลห่วงลูกห่วงเมียห่วงพ่อห่วงแม่ หรือว่ากลัวกลัวตายทุรนทุรายจิตสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอกุศลและเมื่อเป็นอกุศลแล้วก็ไปไม่ดีอกุศลที่ว่าเนี่ยอาจจะมาถึงความยึดความห่วงหวงแหนทรัพย์สมบัติก็ได้ในสายพุทธการมีพะระลุมหนึ่งได้จีวรใหม่มาที่สาวหาให้ สมัยนั้นเนี่ยจีวรเป็นของหายากโดยเฉพาะจีวรเนื้อปลาหนะิดท่านก็ดีใจที่ได้จีวรนั้นแต่ไม่ทันจะได้ครองไม่ทันจะได้ห่มก็เสียชีวิตจิตสุดท้ายเนี่ยท่านหวนคิดถึงจีวรนั้นด้วยความเสียดายด้วยความอาลัยปรากฏว่าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเป็นตัวเล็กๆในจีวรนะพวงจีวรนักก็เลยได้อยู่ใกล้ชจีวรเลย เป็นเวลาเจวันหลังจากนั้นเนี่ยอครบอายุขายขอ ง, งเลนบุญกุศลที่ทําไว้ก็ส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์อีกคนหนึ่งนางเมริกาเทวีเป็นมเหสีพระเจ้าประเสิทธิโกศนเป็นคนที่ชักนำพระเจ้าประสิทธิโกศลให้หันมาสนใจฝ่ายธรรมนางเป็นคนดีแต่ว่าอายุสั้น ตอนที่ตายเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโกหกพระเจ้าปรเสนิโกศลไว้จิตใจซ่องหมองเพราะว่าได้กระทำมุตสาวาเป็นเรื่องเล็กๆแม้ว่าการโกหกข้างนั้นจะรอดตัวแต่าพอตอนในตายเนี่ยจิตใจซ่องหมองปรากฏว่าตายปุ๊บเนี่ยลงนรกเลยอยู่ในนรกเจวันแต่ความดีที่ได้ทําก็ส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรรู้โดยเฉพาะชาวพุทธนะเราทุกคนต้องตายและตายแนย่และเมื่อจะตายทั้งทีเราก็ควรที่จะตายดีอย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็ตายสงบส่วนตายดีส่วนไปดีไปไหนเนี่ยตอบได้ยากเพราะว่าไม่มีใครส่วนใหญ่ ที่จะมีญาณอย่างรู้ว่าไปอบายหรือไปสุกติแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่าตอนจะตายเนี่ยสงบไหมทุรนทุรายหรือเปล่าตาเปิดตาค้าง น, นะหรือว่ามีความกระสักกระสายหรือว่าหลงตายคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีสิ่งลอดเราเ ย, ย, ย้ายวน ให้สนใจแต่เรื่องเฉพาะหน้าให้สนใจแต่เรื่องความสุขเฉพาะหน้าเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติงานการจนไม่มีเวลาที่จะให้กับการทําบุญสร้างกุศลไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะคิดใค ร, คร่ครวญถึงจุดหมายปลายทางของชิดว่าสว่าหนึ่งเราต้องตายหลายคนรู้ว่าตัวเองต้องตาย แต่ว่าพยายามกบเกลือนพยายามลืมเวลาใดที่อ่านข่าวหรือมางานศพอดหัว น, นึกไม่ได้ว่าสักวัหนึ่งเราต้องตายหรือเดินจเจริญรอยตามผู้ที่ทอดล่างอยู่บนเมนหรือเชียงตะกอนแต่พอจากวัดไปกลับเข้าบ้าน โทรศัพท์ก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีก็ทำให้เราลืมไปว่าเราจะต้องตายและเมื่อลืมก็เลยไม่ได้คิดเตรียมการเพื่อให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยตายดีที่จริงตายดีกับอยู่ดีเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าเราอยู่ดีเราก็ตายดี แต่อยู่ดีในที่นี้ไมไ่หมายถึงว่าอยู่ดีกินดีหมายถึงการอยู่อย่างมีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำความดีละความชั่วและพยายามฝึกจิตฝึกใจเพื่อให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเวลาเงินหายของหายแทนที่จะตี อ, อกชกหัวบนคร่าครวญ ก็ลองปล่อยวางดูบ้างถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้จักการปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้ถึงเวลาเราตายเนี่ยมี10ล้านก็สูญเสียทั้ง10ล้านมีร้อยล้านก็สูญเสียทั้งร้อยล้านมีพันล้านก็เสียทั้งพันล้านแล้วเราจะทำใจปล่อยวางได้อย่างไรในเมื่อจำนวนเงินเล็กน้อยกว่านั้นเนี่ยเรายังวางใจปล่อยวางไม่ได้ ชีวิตนี้เนี่ยนะมีขึ้นเพื่อฝึกฝนเราเหตุร้ายต่างๆเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราใครก็ต่อว่าดาวทอเราอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าไปคิดอาฆาตเพียบบาสให้เตือนใจว่าแค่นี้ยังทำใจไม่ได้แล้วถึงเวลาตายจะรับมือกับมันได้อย่างไรหรือคิดว่าเนี่ยถ้าโกรธโมโหอาฆาตเพียาบาส เกอดตายไปตอนนั้นก็ย่อมมีทุกติเป็นที่หมายเพราะว่าจิตเป็นอกุศลในทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราเศร้าโศกเสียใจให้มาระลึกว่าเราอาจจะไปอบายได้นะถ้าเกิดตายตอนนั้นถ้ากลัวอบายก็รีบรู้จักปล่อยรู้จักวางให้ถือว่ามันเป็นเรื่องช่วคราว มันมาแล้วก็ผ่านไปหรือเป็นแบบฝุกขัดให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมในการที่จะรับความตายอย่างสงบและถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามีความสุขทันทีที่ปล่อยทันทีที่วางนะเวลาเจ็บเวลาป่วยแทนที่จะท่ามกลว่า็ทำไมต้องเป็นชั้นแ้่เรานึกเสียว่านี่เป็นแบบฝึกขัดนะว่า เราจะทำใจได้ไหมเพราะถ้าแค่นี้เรายังทำใจไม่ได้ถึงเวลาเราอยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตเป็นโรคที่รักษาไ ม, ม่หายแล้วก็ลุกลามเจาะค อ, อใส่ท่อมีเครื่องช่วยหายใจมือถูกมัดทั้งสองข้างแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นปกติสุดได้อย่างไรความเจ็บป่วยยังจะมาเตือนให้เราเห็นว่า สังขารเป็นทุกข์มันเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าวันนี้แค่ป่วยแต่พรุ่งนี้ก็จะตายเพราะฉะนั้นป่วยท้งทีเนี่ยก็อยา่าเศร้าโศกโมโหโกโรธาหรือว่าตีอกชกหัวให้ถือว่าเขากลังสอรทมอย่างที่พูะเจ้าตรัสอย่างที่อาจารย์พุทธิธาตุพูดว่าป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีอีกที่หนึาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาด ถ้าเราฉลาดในเรื่องของชีวิตฉลาดในเรื่องสองของสังขาในใรนักทายที่กำลังเจ็บกำลังป่วยอยู่เนี่ยก็ให้ถือว่าเขามาเตือนเรานะว่าวันนี้ป่วยพรุ่งนี้อาจจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เร่งทําความดีให้เร่งฝึกฝนนะพัฒนาจิตใจเร่งทําความดีภาระหน้าที่อย่างต่างอะไรก็รีบทำซะใครมีใครอายุมากแล้วพินันกรรมไม่ได้ทำก็รีบทำซะ เพราะบางคนอาจจะตายเพราะว่าห่วงที่ในกรรมก็ได้มีคุณดุงคนหนึ่งล้างตายอยู่หลายปีแล้ววันหนึ่งก็คิดว่าตัวเองคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าตายก็แย่างไปเรื่อยๆก็เลยเรียกลูกให้ไปหาทนายมาจะทําพินายกรรมลูกเกรงว่าเป็นลางร้ายก็เลยแก้งทําเป็นลืมไม่เรียกทนาย แล้ววันหนึ่งพ่อไปโรงพยาบาลไปล้างตายเช่นเคยเพราะว่าความดันขึ้นเจริญในสมองตายช่วยอยู่สองวัน ย, ออยื้ออีกสองวันก็ไปสําเร็จพ่อก็ตายตอนที่ตายเนี่ยหน้านี้อขีขมวดอาการหน้านี้คือขมวด ก, ก, ก, ก็สอให้สอว่าคงตายไม่สงบคงมีเรื่องที่กังวลอะไรคือเรื่องกังวลก็คงจะห่วงกังวลเรื่องพินัยกลรม อันนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะที่เราต้องทำให้กับตัวเองถ้าเรารักตัวเองอย่าคิดแต่เรื่องการหาเงินท้อยกับตัวเองต้องคิดถึงเรื่องการทำบุญทำกุศลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตายดีถ้า ร, ารักตัวเองเราต้องเตรียมตัวที่จะพร้อมตายดีอยู่ทุกเมื่อนะตายโดยไม่ทุรนทุรายตายด้วยความรู้สึกตัวตา ย, ยมีสติ แต่จเจ็บปวดจะมีทุกขเวทนาอย่างไรก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายนะพวกเราและจุดเริ่มต้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราม า, มางานศพอย่างที่นี่วันนี้แล้วเราก็พิจารณาถึงตัวเราเองว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราต้องเดินเนะจริญรอยตามโนะยอมสมหมายเราก็จะสามารถเดินหน้าเข้าหาความตาย ได้ด้วยใจที่สงบไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นเกรงเพราะมั่นใจภูมิใจในมั่นใจในความดีที่เราทำภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาและก็รู้จักป่อรู้จักวางอันนี้แหละคือกุศลซึ่งเราสามารถจะสร้างให้กับตัวเองได้จากการมางานศพอย่างเช่นวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันมาบำเพ็ญกุศล ให้กับโยมสมหมายชัยลครซึ่งได้ร่วมรับไปแล้วนะได้มาร่วมกันบำเพ็นะกุศลและมาเป็นสักขีพยานในการปรงศพนะก็ขอให้อันนี้สองแห่งบุญที่ทุกท่านได้ทำจงอำนวยอุปกรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขภะละให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์สามารถพาจิตเข้าถึงความสุขเสษสารมีพระนิพพานไปที่หมาย ขณะดเดียวกันก็ขายบุคคลสนที่เราได้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นระปัจจัยให้โยมพุทมสมหมายชัยนครได้สวยสุกในสังไตรพพได้เข้าสู่สุขติภพได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มเงาของความพระศาสนาจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์สิ้นเชิงด้วยเทอ